อสําหรับต่อไปนี้ข้ารัดาท่านทั้งหลายปโปรดตัง้งใจรับฟังอนุสติสิประการแต่สําหรับวันนี้แปลอนุสติที่เกา้าที่เรียกว่าอุปสมานุสติกมัธฐาน <c oughs> อุปสมานุสติกมัธฐานนี่แปลว่า น, นึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ เน้นไดกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาปฏิปัานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกตอนหลังจากการพิจารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระบธททิพแก้ว ก็ทรงแนะนำว่าท่านนั่นหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงตาสักตาไว้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกายไม่เห็นแล้วก็เป็นตาสักตาไว้เห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราว แล้วก็ทุกคนจงยาสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอยาร่างยาสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็ายอย่ายงยาสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสถิบฐานลสูตร ยอมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าเพราะถ้าละขันห้าเิร็ได้แล้วเราก็าไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านด้วยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบัณฑิตเป้า แล้วก็ใครครวรไปตามนั้นที่ยามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปดโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่เพื่องทีาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธับริษัทชายหญิงคิดด้วยอย่างนี้ตลอดเวลา ท่านหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินสีสุเนศแนะนำว่าท่านหลายๆจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัย ว่าถ้าหากว่านึกถึงปณิพานธ์เป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงปิพันธ์อย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทาจิตให้เข้าถึงปณิพัน์บรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องประกอบพระองค์ดังสามรายการครบถ้วนนั่นคือที่ศีลนิสิสขา ทั้งท่านต้องใคร่ครวนพิจารณาสิ่งท่ท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนมกถึงปันนีพไานเป็นอารมณ์อย่างเดียวลองคิดว่าคนเราถ้าไปจะนี้ปัญญปนิพพานได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินนิพพานอย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อืน่น ถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีค่าพานะไม่มียานพานะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ ทั้งว่าเรามีค่าภานะแล้วเราไม่มีภานะเราก็ไปไม่ได้ข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธมรรสตร์หลายต้องการจะไปพนิพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพนิพานโดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่น เราก็มันนึกถึงว่าเขาเจ้าขอไปนิพพานขาเจ้าตั้งใจไม่นิพพานขบ aja อยากจะไปนิพพานหรือขาเจ้าต้องการพนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆ <c oughs> ไมันยอะก็จะ ก, กลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้น เราก็นั่งผนว่าเราอยากจะไปบนนันฑนเราจะไปบนัณโนเราตั้งใจจะไปบันโนเราพร้อมที่จะไปบันโนเราก็ไปไม่ได้ก้อนนี้มีประ ม, มาชันา้นใดท่านที่ปรารบพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการาาปรารบพรนิพพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกก็เป็นได้ท่านพุทธบริสัท์ พยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าดิองค์สมเด็จวิชินวรมนตรมศาสนาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาพื้นตัดปัญจเวนท่าห้าเบกการเรียกว่าตัดอามายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธ เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสนรกไม่เกิดเป็นเปรตเว็สุรกายเป็นเตรษฐินถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์ประทรัพย์สิงคราญปราศจากความโลคภัยไข้ขเจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียน จะคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมัชัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในอวาทในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมรูกกนะไรกล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อน อันดับแรกไข่ครนศีนที่เรียวกว่าศีรานุสติกรรมฐาน <c oughs> จัดว่าศีนเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้เราเข้าถึงพุทธิภานเปนอันดับต้นอันดับที่สองราลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรารับเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ทานนี้จัดว่าเป็นสมเียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พระนิพพานฉะนั้นจริงคือควรเจริญจารคานุสติกรรมธานด้วยการเจริญนี่ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินครานทั้งหมดที่ปรากฏที่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนาไปได้ การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มปณิมัชยิดิยะคือความตนีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาทิ้งจาคาโุสติกรรมฐานมนาศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงปณิพาน์ได้ ม, มันเมื่อมีจาราและศีรานุสติกรมาาันฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้วองสมเร็จพระบพิีบแก้วก็รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจสงบธรรมดาแทานพุทธบริษัททรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิต ไม่จิตตินนมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกำลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ไม่การข่มข้าไว้ให้กิเลสเสียกำลัง ต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยน่ายเขาสมาธิเยเห็นว่าคันห้าเป็นภัยใหญ่ชาติี่ทุทขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมานี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เรื่อก่อนจะคลอดอยากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเราจะเห็นว่า พิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลัวไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเลือดในเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ด้วว่าท่านทั้งหลาย แล้วถ้าเลือดมันหลั่งไหลมาจากร่างกายมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็ขา่าฉะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมันดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขและมีความทุกข์ห้องแคบๆที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์กับทรมานอยู่ในครรข้ขมันดาทั้งสิบเตียนมันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> เจียแขนเจียขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเวสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์พะเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ปพระเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโ น, น้นปพระเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอารมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ เป็นอันว่าเราเห็นแล้วได้อย่างมันอยู่ในคันมารดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมารดาก็ทุกข์หนักร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมารดามันกระทบร่างกายเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ระทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้ากมาดีไม่ดีหมอทําแยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกําลังดีแต่ความจริงนะแปรกายของความทุกข์ เรื่องขึ้นการร้องเนี่ยมันต้องทุกจัดต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะมากําลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเรากลือเกลากลัวอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งเ ล, ล็กดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจไว้คน หลังจากนั้นพระราจหิวอาหารบิดามานดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องสสดงการให้ปรากฏ ต, ตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนิกทุกอย่างมันเป็นความสุขหรืความทุกข์องนึกดูว่าเราโตแล้วนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขม แล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขด้วยความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของบุคคลผู้มีชีวิตเวลาถึงไ ม, ม่ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจกกิดที่ตนปรารถนา อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์น้กายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกรถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมองดูเส้นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิธินา่ารักผิวพรรณพิถีหนา่นาปรารถนาสำหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาด ใครเขากับเราใครดีเอร่างกายของแต่ละคนนี้สะอาดน่ารักแคอยังไงเมื่อพิจ า, ารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเล่าการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏ เมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งอแลรกันอารมณ์คุณมัวมันเกิดอาการที่อารมณ์คุณมัวมัวไม่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกเรียงว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์ มันเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยความสุกัรกสมมติอย่างที่พูดไปแล้วในกายญาตานุสติกรรมทฐานเพราะนั่นนำไปถูกขังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วราแบกเอาคนรักไปได้ไหมคนที่เรารักหญิงสามีหรือปัญญาบุททินดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหม เวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนาหี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่าเป็นเพราเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจรารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายที่มันไม่ทรงตัวมันก็แก่เรื่อยไปแล้วเที่สุดมันก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจก็เราเลวเราก็ไปอบายภูมิ มี่เราสกัดกันนเราก็มาใยภูมิในการ ส, งส่งศินให้บริสุทธิ์เราสกัดกั้นความยากลําบากในในทรัพย์สิน้านดในการให้ทานเป็นกําลังป้องกันความจนเขไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราไดเกิดเมไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สิขนขาดมากเรารักษากําลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าทรงสอน จะเป็นการภาวนาแล้ว่าพิจารณาอะไรก็ตามยัเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตปรผสองอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกําลังใหญ่ พ, าาพื่ะก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานวิจารณากนได้ภาวนาคนได้ใครควรคนได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นชานจิตมีสภาพหยุด เหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเหนื่อยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดแยกคิดอะไรก็ได้สงความตระหนาปัญญามันก็เกิดข้อ น, นี้มีบุตมาชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์หลายทางกำลังใจให้ส่งตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมอย่างอื่นเข้ามารบกวน เราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่แตเฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเรื่อสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้าตามในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้ น, ตน แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงภายในท่ากลางมีการสลายตัวบริสุทธิ์ขันห่านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซสจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยธนุธนหนอมมันด้ว ย, ยการทั้งปวงเอาเออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ด้วว่าท่านทงหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเราแล้วเมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้โดยกบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร พบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอบัยภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอบัยภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปดอสุรกายสตาตจฉันเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดานเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สกัดกัน้นมันเสร็จแล้วเดี๋ยน่ายของศีล ทานนางสกโสทานนางการจะไปสู่สวรรค์ไ ด, แแกกด้แล้วก็ใช้ทานเป็นกําลังและสิงก็เป็นกําลังอีกกาลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สําหรับพมลโลกนั้นเราก็ใช้กําลังชาญเป็นเครื่องยึดเหนีย่ยวเป็นยางเหนียวที่ย้ยเราเกาะติดอยู่ในพมลโลกเราทําได้แต่ว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพมลโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเป็นแดนที่พ้นทุกข์แล้วด้วยอย่าง พวกเราทั estamos, Who, 20, ้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทนเคยเป็นเทวดาเป็นพมนับชาติไม่ทนเคยเกิดในอบายภูมิมาแล้วเคยลงนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเศรษฐาสตร์สิติชันเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มี ถ้าเราจะดินรนไม่รักษาความดีเพื่อปล่อยให้ความชั่วครอบงมจิตเราก็เห็นจะไม่มีทางที่จะพ้นเครที่เป็นอ ม, มิตรเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและปุถุโลกละอบายภูมิทั้งสี่ประการเอเจนั้นโอสมเน็จพระพิชิตามารบรรมารสาสันดาสัมมาสุภธเจ้า <c oughs> ยังแนะนำแม่บรรดาแทนพุทธบริสรนันลายทรงกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานื่อการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราเื่อการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีดดพรหมคนดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจัง ในเมื่อความสุขมันทรงไม่ได้จริง จ, งจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขคุยความสัมปั น, นอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าสมใจกัมรดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระนิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์แล้วไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดน ถ้าเราเป็นสาวว่ากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรร ม, มสาสตรสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิจเป็นเชื่อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัจจัยเกิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสกปรกโสห ม, มมันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆ ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เจือฝนก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆและก็ต้องมีจริงเมื่อบรรดาท่านบุตรบริษัทชายหญิงเมียลมจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตแม้ก็ไม่ถอย เมื่อจิตมันไม่ถอยท่านยังไงก็เราก็มีอย่างเดียวการกล้าเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตก็เราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆขาบันดาท่านพิสุสมนฺธเนพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บรารมีสิบราการไว้ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้ แกะบารมีสิปริการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสำหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กำลังสมาธิควบคุมไม่ทรงตัวให้มีกำลังเจรณะสิบห้าที่เป็นกำแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชั่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกำลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรวา่จาจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิธิบาทสี่รวมความว่าถ้าเราต้องการผลิพภาณฑ์และคุณธรรมดังสามราการนี้ยัยคลาดจากจิตขบันดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธสาว่าพระองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกำลังสามราการให้ทรงตัวแล้วก็ไข่ค้นหาความจริง ว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวัสนาบารมีเมื่อไรเก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงนะ้วกไม่เป็นเรื่องที่นี้สำหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางตัดบางที่ระโบกศู์ส่วนใหญ่แต่ว่าอสมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ ในเมื่อศูนย์แล้วไม่ศูนแล้วก็ต้องพปสูนรคำสั่งสอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนยิธีหรือทิปยจักุยานวิชาการทหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีรบถทวนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของบรรดาแผ่นพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของท่านไม่สู้ ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบร ม, มครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านแต่กำลังใจของบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไหรเป็นอันว่าคำสอนองค์สมเด็จไระจอมตรใจชี้ชัดให้บรรดาแทนพุทธบริษัททราบว่าพระนิพานนั้นศูญหรือไม่ศูนย์คำว่า น, นิพานนางประมังศูญอย่างอะไรศูญกันแน่นิพานศูนย์หรือว่าอะไรศูญ ในพระบาลีข้อนี้ท่านกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างว่างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสตัณหาปาทานและกุศลกรรมท้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจและควบคุมใจไว้ในทาจาจคาลุสติกรรมฐาน ในศีลานุสติกมรรฐานในกายจกตานุสติกมรรฐานในอสุภะกมรรฐานในมรณานุสติกมรรฐานควบคุมลงกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาการคือพิจารณาริยสัตตามที่องค์สมเด็จพระสุนสวัสดิสุภาพสอนแล้วก็ใช้มโนยุทธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพนิพาน บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินทร์ศรีนอยอยู่ที่ไหนอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคําแนะนําในวันนี้ก็หมดเวลาเช็จแล้วต่อไปขอสาว่าขององค์สมเด็จพระบาททีแก้วทรงกําลังกายตามอัธยาสัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้ก็ขอให้กำลังใจของท่านตั้ง จิตไว้ตรงเฉพาะกนิพาธ์และก็ปฏิบัติระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีละสมาธิทั้งสองประการในขาาจักใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหารประหารฆ่าสึกกิเลสให้ขาดเป็นสมบทเฉปทะหาียนสำหรับเวลาการที่อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัท พริษัวสาวกคาโองสมเด็จพระบพิีรเจ้าทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจงกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี